อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบ ก, กันในรายการธรรมารุณซึ่งก็เป็นรายการแรกของการเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆเช้าเลยนะคะเราก็จะนํารายการธรรมารุณนี้มาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลนะคะรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยตรงซึ่งก็เป็นพระธรรมคําสอนของอ ง, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องศาสดาของเราซึ่งในปีนี้คือปีพุทธศัตย์2555นั้นเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่คงจะทราบกันแล้วลวค่ะว่าเป็นปีที่แม้แต่รัฐบาลของไทยนะคะแล้วก็รัฐบาลของต่างประเทศเองนั้นเนี่ยที่บรรดาที่เขานับถือศาสนาหรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนเราเนี่ยก็จะได้มีการเฉลิมฉลองพุทธยาณตีนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นการฉลองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ ห่างไกลจากกิเลสแล้วก็ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเพระองค์นั้นที่เรานับถือเนี้ยค่ะได้จรัสรู้มาเป็นเวลาถึง 2,600 ปีในปีนี้แล้วนะคะคะรารมบพพบันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ปีมโรงค่ ะ, คะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการธรรมรับรุณเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่12นั้นเนี้ยคงจะได้รับฟังประเด็นที่ได้หยิบยกขึ้นมากราบ เรียนถามพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมาราปรุลนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในกรณีที่ว่าถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเกิดว่าท่านมีความประพฤติที่ไม่สามารถเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้คืออาจจะไปหลงติดการพ น, นันหรือว่าติดเหล้าเมายาอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาเหมือนกับมาว่ากล่าวมาทุบตีมาอะไรต่างๆเนี่ย กับทางลูกหลานหรือว่าตัวลูกเองเนี่ยตัวลูกๆเนี่ยจะจะมีคนรจะตอบกลับหรือว่าควรจะทําจิตใจอย่างไรนะคะคิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ทีเดียวเพราะว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านดิฉันเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงจะเจอปัญหานี้อยู่แต่ในเช้าวันอาทิตย์นี้อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มสักการพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนแล้วก็สากัะชาหรือสนทนากับท่านต่อค่ะทีนี้เป็นประเด็นที่ตรงกันข้ามนะคะท่านผู้ฟังคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงก็คือ กรณีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ดีเหลือเกินเลี้ยงลูกมาอย่างดีมากแต่ว่าลูกหลานเองเนี่ยในบ้านเนี่ยค่ะกลับมีความประพฤติที่ไม่ดีแล้วก็บางรายก็ติดเกมบ้างหมาถึงเกมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะหรือติดการพนันและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือติดยาเสพติดค่ะสารเป็นยาบ้าอะไรต่างๆเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็มาค่มขู่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่ดีหรือบางคนนี่ถึงกับทุบตีพ่อแม่ ผู้ปกครองของตัวเองทั้งนี้เพื่อจะได้เงินไปเสพยาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะก็อยากจะข อ, อนำ ม, มากราบน้ำมัศการท่านพระอาจายรย์ไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะจากวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะกราบขอความเมตตาจากท่านพระอาจายรย์ไพบุตรอภิปุโนเจ้าค่ะที่จะได้สักษาเรื่องนี้ให้เป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา น, น้องๆเยาวชนที่อาจจะหลงผิดไปมีความประพฤติเช่นนั้นเจ้าค่ะ ขอกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเช่นพานเจ้าค่ะก็ขอเรียนถามเลยนะเจ้าค่ะในประเด็นที่ว่าถ้าลูกหลานอย่างที่โยมได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั่นเนี่ยควรจะเตือนสติอย่างไรแล้วก็พ่อแม่จะทํายังไงเจ้าค่ะอันนี้เป็นทางตรงกันข้ามกับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้แล้วเจที่เมื่อวานเราเราพูดคุยกันถึงว่ากรณีที่ลูกเนี่ยดีใช่ไหมรู้ถูกรู้ผิดใช่ไหมแต่ว่าพ่อแม่นี่ยังยังไม่รู้แในวันนี้ที่ว่าพูดถึงกรณีกลับกันคือพ่อแม่นี่รู้ถูกรู้ผิดอยู่บ้าง นะแต่ว่าลูกนี่โอ้โหมันไม่รู้จักคุ้มไหนมาเกิดเหมือนกัน <c oughs> ลักษณะนี้ก็เป็นเป็นกรณีตรงข้ามกันทีนี้อย่างเมื่อาวานนี้จะมีประเด็นที่เพิ่มเติมอีกสักนิด น, นึงก่อน <c oughs> นะ <c oughs> คือที่ที่เรามาพูดถึงว่าออ ล, ลูกลูกเนี่ยนะอย่าไปด่าว่าพ่อแม่อย่าพยายามสั่งสอนเราก็ชักชวนในการที่ดีในหาจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะลืงมานะให้คิดว่าตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่เราจะเสริมสร้างบา ร, รมีของเราได้คือต้องการบอกประเด็นนี้ว่า คือในเมื่อเราเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดเนี่ยอย่าทําตัวเป็นลูกบังเกิดกนะล้าวในลูกบังเกิดกล้าวนี้ก็คือว่าเหมือนจะคอยส่องสอนคอยบอกชั้นทําตัวเป็นแม่อยาก่าทำเป็นอย่างนั้นนะคือไง<ช>เราเป็นลูกเราก็เป็นลูกนะเราก็ทกําำงานของท่านเราก็เลี้ยงดูท่านนะเราก็ปฏิบัติหนะ้านะที่ให้ถูกต้องแล้วถ้าเราจะชักชวนท่านไปทางดีได้ก็ให้ทำนะด้วยกิริยาของผู้ที่เรียกว่าไม่ใช่บังเกิดกล้าวแต่จะเป็นลูกอาชาใน ลูกอาชาไนนี่เป็นยังไงคุณเตือนใจพระเจ้าเคยพูดถึงบุคคลอาชาไนเนี่ยนะคืออย่างม้าอาชาไนเนี่ยที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะเขาจะคอยดูว่ า, าหัวหน้าเขาเนี่ยหรือว่าคนฝึกม้าเนี่ยเขาจะฝึกวันนี้จะฝึกแบบไหนเนี่ยฝึกอย่างนี้จะตอบสนองยังไงฝึกแบบนี้จะตอบสนองอย่างไรนี่คือลักษณะของความเป็นอาชาไนแต่แต่ว่าไอ<แ>้พวกม้ากระจอกอย่างเงี้ยก็คือว่าใจเล็งแต่ว่าโอ้ยเมื่อไรจะเอากแกลบมาจะกินแกลบจะกินข้าวจะกินลำ จะกิน <Okay. S 1> จ้องแต่จ ะ, จะกินอย่างเดียว <Okay. S 1> เราเราไม่ได้เราเป็นลูกที่ดีเนี่ยเราก็ให้มีความเป็นอาชไยคือจุว่าอสถานการณ์ยี่เราตอบสองกับพ่อแม่ของเราเป็นยังไงคือที่อะไรามาต้องพูดประเด็นนี้เพราะว่าลูกบางคนเนี่ยนะคือคือคนบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาแต่เขาก็แก้แก้ปัญหาของตัวเองกลายมาเป็นพ่อแม่ที่ดีก็มีนะคุณเนใจ แต่บางคนเนี่เกิดในครอบครัวดีๆพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอลูกออกมานี่โอ้โหมันมันมันโอ้อย่ายไปพูดเลยว่ามันเลวขนาดไหนเพราะว่าเอ๊ะทาไมบางคนมืดมาแล้วก็ไปไปไ ป, ไปสว่างได้อ่าบางคนสว่างมากกลับไปมืดได้นะสว่างไปสว่างก็มีมืดไปมืดก็มีนะพระเจ้าเคยแบ่งคนออกเป็นสี่ประเภทนี้ น, น, นั่นก็เพราะว่าออยู่ที่เราคิดไงบางคนอยู่สลัมคุณเชินใจอยู่สลัม พอชีวความเป็นอยู่ไม่ดีแต่ว่าก็ตั้งใจทําความดีนะพลิกผันเปลี่ยนแปลงสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็มีแต่บางคนเป็นลูกมหาเศรษฐีกลับไปเป็นขอทานก็มีค่ะอันนี้ใ ห, นให้เราเห็นกันอยู่นะใช่ชใช่ชเพราะฉะนั้นเราเราจึงต้องพูดทั้งสองกรณีอย่างที่คุณจะยใจยกตัวอย่างาพูดถึงเกินมาตั้งแตตอนแรกเนี่ยเอางั้นถ้ากรณีสลับกันนะลูกชั่ว h ชั u นะแต่พ่อแม่นีจะแก้ไข ย, ยังไงนเะมื่อวานเราพูดไปแล้วนะเรื่องที่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยดีแต่ลูกนี่จะแก้ไขยังไงนะ ทีนี้ในกรณีเราต้องดูเรื่องของทิศ ท, ทั้ง6กเนะที่บุรุเจ้าบอกเป็นหน้าที่ของมารดาพิดาเนี่ยในการที่จ ะ, ะสั่งสอนลูกในลูกในเรื่องนี้เนี่ยก็หมายถึงคนที่เราทั้งลูกทั้งหลานด้วยน ะ, ะก็คือว่าต้องห้ามเขาเสียจากบาปนะให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปนี่เป็นยังไงคืออะไรที่เป็นบาปกรรมนะห้ามเขานะอะไรที่เป็นกุศลธรรมให้เขาทํา ในะอย่างสมมติไอ้ความที่ เ, เสพยาเสพติดเป็นต้นอย่างเงี้ยเราต้องห้ามนะห้ามไม่ให้เขาเสพ เ, เพื่อนไม่ดีอย่าให้มันไปคบนะสิ่งใดเป็นกุศลธรรมอย่างสมมุติเอามันไม่ได้เรื่องต้องใหญ่อะไรนะคือคือบางทีเพราะว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราไม่เคยห้ามเราไม่เคยปราบเนี่ยต่อไปเป็นความผิดพลาดใหญ่อย่างเช่นว่าเวลาลูกยังเด็กๆเงี้ยอายุห้าขวบหกขวบ เราไม่รู้จักสอนให้อยู่ในคุณธรรมเช่นว่าถอดร อ, องเทา้าให้เท่านนะกันนะให้เสมอกันนะรู้จักเป็นคนเงียบนะเวลาผู้ใหญ่พูดไรไม่ไม่พูดสวนออกมาอาคุณธรรมพวกนี้คุณไม่สอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ย น, นะโตขึ้นมันสอนอยากละ่ะไม่รู้จักสอนว่าเอาเพื่อนคนนี้ให้เลือกคบเพื่อนยังไงโหยโตขึ้นมันสอนอยากนะมันชักชวนเกินไป เ, เพราะว่าเห็นแต่ความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันก็จะมันก็จะดึงยากล่ะทีนี้ ทีนี้อย่างไอความคุณธรรมเช่นความขยนันความอดทนพวกนี้เราต้องสอนให้ลูกของเรารู้ตลอดเวลานะอะไรที่เป็นบาปเป็นความชั่วอย่างเช่นแค่ว่ า, อ า, อ, าอาการที่ไม่เคารพพ่อแม่อันนี้เราต้องสอนทันทีนะสมมติบางคนเก็บเสือ้อพับเสือ้อเอาเก็บไม่เรียบร้อยโยนทิ้งเฉยกินข้าวแล้วก็หนีเปิดไปไม่รู้จักช่วยล้างอันนี้เราต้องสอนอนะต้องเป็นโอกาสที่เราจะสอนได้ตลอดเวลาเพราะนั้นลูกเนี่ยเราอยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยเราเป็นคนสอนได้ น่อสิงเรียบว่าพ่อแม่นั้นเป็นครูคนแรกของลูกถูกไหมเจ้าคะแล้วก็ต้องสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นไม้อ่อนเพราะไม้อ่อนนั้นดัดง่ายถ้าไม้แก่อย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วก็คงจะดัดยากแล้วแก้นิสัยไม่ได้ใช่เออถ้าถ้าจะสอนกรณีที่สอนยากเนี่ยพระเจ้าก็เคยบอกอยู่แต่ถ้าถ้าเด็กมันสอนง่ายเนี่ยเราก็พูดพูดดีๆก็พอนั้นด้วยวิธีที่เรียกว่าละมุนละไมนะพระเจ้าใช้คำนี้ละมุนละไมถ้าผมว่าสอนยากสอนยากขึ้นมาหน่อยก็ใช้วิธีที่ แข็งใช้วิธีที่รุนแรงบ้างนะบางตัวมา้านี่นี่คืสถานการฝึกมา้าที่พระเจ้าได้บอกกับนายเกสิคือนายเกสีเนี่ยเป็นควานมา้าเป็นผู้ฝึกมา้าที่มีความเชี่ยวชาญมากมีชื่อเสียงอยู่ในสมัยพุทธกาลมากนะเขาก็พระพุทธเจ้าก็ไปถามว่านายเกสีก็ฝึกมา้ายังไงนายเกสีก็บอกว่าม้าบางตัวนี่บอกเ้าดีๆเขาก็ทําแต่เขารู้ว่าต้องทําอะไรนะม้าบางตัวนี่ต้องต้องใช้ทั้งความรุนแรงด้วย ม้าบางตัวนี่ต้องสองสองอย่างปนกันทั้งมุนละม่อมบ้างรุนแรงบ้างรวมกันนะ <Okay. S 1> แล้วถ้าฝึกไม่ได้นี่ทำยังไงนะเกสีก็บอกว่าฆ่าฆ่ามันเลยฆ่าม้าเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ให้เสียชื่อตระกูลแห่งของผู้ฝึกม้าของเรานะ <c oughs> ม้าตัวนี้ฝึกไม่ได้ก็ฆ่ามันจริงซะนะ <Okay. S 1> เกสีก็เลยถามพระเจ้ากลับว่าเอาแล้วสมาสมุท tha ฝึกบุคคลยังไงที่ชื่อว่าฝึกปรุดที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยฝึกยังไง ผู้เรยนชาวก็บอกว่าถ้าฝึกด้วยวิธีระมุละม่อมบ้างฝึกด้วยวิธีรุนแรงบ้างฝึกด้วยทั้งสองอย่างปนกันบ้างคือลูกของเราเนี่ยคุณเตจบางทีจะต้องใช้ไม้อ่อนไม้แข็งปนกันคนมันดีๆเราก็ใช้ไม้อ่อนพูดดีๆ ด, ด้วยพูดแล้วเข้าใจก็โอเคถ้าพูดไม่เข้าใจมันต้องเจอของแข็งบ้างเพราะมันเจอของแข็ ง, งอ่าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่แบบไม่ตีลูกเลยนี่นะบางทีทําให้ตัวเองลำบากเอง คือหมายความว่า <c oughs> อาตมาก็ไม่ได้ว่าเน้นว่าคุณจะต้องตีจนเนื้อมันแตกนะแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราตีเพราะอะไรนะหรือว่าเราต้องลงโทษคือไม่ใช่ว่าการตีนะคือต้องมีบทลงโทษในคนอื่นที่เขาทําไม่ถูก <c oughs> เพราะว่าเด็กแต่ละคนหรือว่าบุคคลแต่ละคนที่คลอดโพาะออกมาเนี่ยมันมีอสะวภไม่เหมือนกันมีนิสัยมีระบบระเบียบในชีวิตไม่เหมือนกันคุณเตือนใจ <c oughs> เด็กบางคนนะโอ้รักสัตว์มาตั้งแต่เกิด เอ็นดูสัตว์อะไรต่างบางคนนี่โอ้โหมันแกล้งสัตว์สารพัดเดี๋ยวไปไล่ไกเ่เดี๋วิ่งจับหางหมาดึงหางหมา <c oughs> ต่างๆมันมันก็ <c oughs> แล้วแต่นิสัยของแต่ละคน <c oughs> นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคการสอนนี่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของเด็กไม่ใช่ว่าสอนแบบเดียวกันกับทุกคนโอ้ยมันมันไม่ได้ก็คนไม่เหมือนกันจะให้ไปสอนเหมือนกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีคุณครูหรือต้องมีบรรดาบิดาที่คอยมาประกอบประงม นั่นพระรูปเจาจึงบอกว่ามารดาบิดาเป็นผู้ที่มูย๊ยมีบุญคุณมากนะคอยประคับประคองแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะกายนี้ของเราก็เป็นมารดาบิดาให้มาคือถ้าเราจะมาพูดถึงรายการนี้นะแล้วแล้ว เ, เ, เราก็จะให้ลูกมันมาฟังลูกมันชั่วเนี่ยนะเราให้ลูกมาฟังเนี่ยมันก็ยากนะแต่หมายว่าอย่างกรณีเช่นเดียวกันนะสมมุติว่าลูกฟังอยู่โอ๊พ่อแม่ฉันไม่เห็นดีเลยเอาให้พ่อแม่มาฟังแล้วพ่อแม่จะดีขึ้นมาเนี่ยมันยากนะคือตัวคุณน่ยต้องไปสอนเขา อ, อย่างสมมติคุณเตือนใจพูดจะมาพูดก็เราอยู่ตั้งไกลใช่ปะแล้วเราก็พูดในรายการวิทยุเราก็พอจะบอกได้ระดับหนึ่งแต่คนที่จะมีเขาเรียกว่าอิทธิพลเหนือสิความสัมพันธ์ตรงนี้มากที่สุดคือคนที่อยู่ด้วยกัน ค, คือคนที่หาปัญหานั่นแหละนะหรือคนที่ประสบปัญหานั่นแหละนะถ้าคนหนึ่งพ่อแม่ไม่ดีลูกนั่นแหละแก้ไขได้ดีที่สุดนะถ้าลูกไม่ดีพ่อแม่นั่นแหละนะหรือแยกผู้ใหญ่นั่นแหละแก้ไขได้ดีที่สุดเนะ่ยเพราะนั้นเราต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อน แล้วประการที่สองคนที่จะเป็นมารดาบิดาคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ดูแลคนอื่นเนี่ยนะคุณต้องมีคุณธรรมต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุบเบกขาสี่อย่างนี้อออนอกจากว่าเราเราจะเป็นผู้มีอุปการะกับคนอื่นใช่ไหมเราจะเป็นผู้ที่จะต้องมีรู้จักใช้ไม้อ่อนไม้แข็งรู้จักที่จะห้ามเสียจะบาปให้ห้ามเสียจะบาปแล้วก็ให้ทําให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วเนี่ยนะคือคือจิตเนี่ยคุณเดินใจถ้าผมว่ามันไม่มีที่อยู่เนี่ย มันก็วิ่งไปทั่วแต่เพราะฉะนั้นถ้ามันถ้าเราห้ามเขาจากที่ไม่ดีเนี่ยคุณต้องมีที่อยู่ให้เขาต้องมีกิจกรรมให้เขาทําถ้าคุณห้ามเพ้าเสพยาเสพติดห้ามเขาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนกิจกรรมอะไรที่ใ้คุณให้เขาทําต่ก็ต้องมีกิจกรรมที่มันดีๆเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆให้เขาทำํำเข้าใจนะคืออยู่บ้านนั่งดูทีวีเฉยๆมันก็มันก็อาจจะไม่ได้เรื่องเท่ากับการทํากิจกรรมบงางอย่างที่มันดีๆกับชีวิตอของตัวเราเองอนะยกตัวอย่างเชน่นนะเจ้าคะ่ะ ในทางโลกก็คือคุณพ่อคุณแม่บางคนนั้นเนี่ยเพื่อให้ลูกของตัวเองเนี่ยดีเป็นเด็กดีต่อไปเป็นคนดีของสังคมนี่ <c oughs> บางทีก็จะทุ่มเทให้ลูกมากๆเลยนะเจ้าค ะ, ะไปะให้ไปฝึก กีฬาบ้างลูกชอบทางไหนดนตรีกีฬาการแสดงอะไรนี่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนั่นก็คือการทําหน้าที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมลูกเนี่ยให้ไปในทางที่ถูกที่ควรมีที่อยู่ที่ถูกที่ต้องที่ควรที่จะให้เขาเป็นคนดีได้ใช่ไหมเจ้าคะใชคือชายทางศาสตร์และศิลนั่นเองเจ้าค่ะคือกิจกรรมพวกนี้เราต้องดูนะว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณธรรมไหมสมมติการเรียนอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีแแฝงเราก็ต้องคอยดูคอยแก้ไขและกัน แล้วก็วต้องให้เขาคบเพื่อนดีนี่คือกรณีที่ว่าเราต้องรู้จักใช้ตรงนี้ใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างใช้สองอย่างรวมกันบ้างเหมือนอย่างนายเกษีผู้เชี่ยวชาญการฝึกม้าประการที่สองเรื่องคุณธรรมทั้ง4เมตตานะเราต้องมีเมตตากับลูกของเรามากๆนะหรือหลานลูกหลานของเราเราต้องมีเมตตานะคือคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวในชีวิตและทําผิดพลาดไปเนี่ย เราไม่รู้ข้อแท้จริงหรือว่าถูกเพื่อนชั่วลากไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องอมีความรักความเมตตาให้เขาเพราะเขาทําไปเพราะด้วยความไม่รู้แต่วันนั้น<ฆ>จิตเราพอทรงไว้ด้วยความเมตตาเนี่ยคือมันมันที่จะตรงข้ามความเมตตาเนี่ยคือความเกลียดชังความคิดแค้นความคิดอาฆาตนะบางคนจะไปคิดว่าโหนี่มันลูกฉันเหรอเนี่ยฉันไม่เคยสอนแกมันนี้ไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> คื อ, ค, อคือมันมันโหดร้ายเกินไปนะเรา <c oughs> จะทํายังไงให้จิตของเรามีเมตากับ คนนี้ ใ, ให้จิตมีเมตตาถึงแม้ไม่เขาจะ ด, ไดีไม่ดีขนาดไหนเนี่ยนะก็ยังเป็นลูกเราเป็นคนที่เราควรจะมีอุปการะเราอุปการะเขามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้เขาเห็นอย่างแท้จริงว่าอะไรเป็นอะไรนะ เ, เรื่องเมตตานี่มันก็ต้องส่งไปให้ได้ตลอดนะคือบางคนเนี่ยคุณเตือนใจที่เราพูดเมื่อวาน เ, นเอ่อทำไมคนนี้ทํากับเราอย่างนี้แหมเรารู้สึกจี๊ดมากเลยโกรธมากเลย แตถ้าคนอื่นทําแบบเดียวกันกับเราอย่างนี้เออเราไม่ค่อยกรธเท่าไหร่อืมเจ้าคนะ่ะมนั่นก็เพราะว่าเราเรามีความสัมพันธ์กันมาอย่างเงี้ยนะมีเขาเรียกว่าเหมือนกรกรรมนะที่ทํากันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเมตตาเพราะฉะนั้นจะทรงจิตตรงให้ให้มีเมตตาตรงนี้ได้ยังไงก็เราก็ต้องแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆแผ่เมตตาอยู่บ่อยๆนั่นทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆเนี่ยคนใกล้ตัวเรานระาก็จะมีความรักความเมตตากันได้แตนะ่เรื่องนี้บางทีมันพิกผันมากเลยนะอย่างเด็กอย่างเงี้ย อายุแปดขวบเก้าขวบสิบขวบพอเริ่มสิบสองขวบนะมันเริ่มโตแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเอ้ยทาไมแรกแรกช่วงสิบปีแรกของอายุนี่ดีดีนะแต่พอมาช่วงสองาปีหลังนี่เริ่มแย่จนกระทั่งความสัมพันธ์นี้อาจจะต่อไม่ติดกันเลยพ่อแม่ลูกบางคู่อืมซึ่งตรงนี้เราจึงต้องมีเมตตาบางทีผิดพลาดไปแล้วก็ให้อภัยแก้ไขซึ่งกันและกันนะคุณธรรมต่อไปคือความกรุณาถ้าเขาตั้งอยู่ในความทุกข์เนี่ย คือเขามีความทุกข์ใช่ไหมในการที่เขาจะต้องไปติดยาเสพติดทาสิ่งไม่ดีมันทุกข์แน่นอนนะอาจจะเห็นผลแค่ความสุขๆนิดๆหน่อยๆตอนแรกแตนะ่พอไปไปมาๆเนี่ยบางคนเรียนก็ไม่จบมุนเดินใจนะชีวิตทั้งชีวิตนี่โอ้โหแย่ไปเลยนั้นเนื่องจากการผิดพลาดครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความกรุณาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยอาจารมันมจะต้องเตือนสติว่าเฮ้ยคุณต้องมีความกรุณานะมีความเมตตามีความกรุณานะลูกเราเองนะหลานเราเองนะ เป็นคนที่เราเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเมตตากรุณาแล้วใครที่ไหนมันจะเมตตากรุณาไอเด็กพวกนี้ อ, อลูกเต้าหลานเขาก็ไม่ใช่ก็มีแต่เราเท่านั้นเองเ อ, อ่เข้เขาใจเนาะต้องคิดประเด็นนี้ให้หนักเลยนะจ๊ะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะให้ลูกหลานของเราดีขึ้นมา น, ะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องแก้ไขเขาด้วยความ ที่มีเมตตากรุณาอะไรต่างๆจากจิตใจของเรานี่ยเจ้าคะใช่คือพยายามแก้ไขเพราะไม่องั้นก็คงไม่มีใครที่จะมารักลูกหลานของเรามากปกติแล้วก็เท่าเราหรือคนในครอบครัวนะเจ้าคะแล้วถ้าคุณคิดว่าแหมจะส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าหรือว่าสถานไายสารที่เขาควบคุมเด็กเนี่ยสถานพินิษฐ์เด็กอะไรเงี้ยโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับเราเองๆหรอกเจ้าค่ะเข้าใจหนูเนาะที่อาจรมาต้องพูดตรงนี้เพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยไม่ใช่เด็กที่มันชั่วไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่มันเลว แต่เป็นคนดีๆที่เป็นลูกหลานที่ยังรู้ผิดชอบที่เป็นพ่อแม่ที่ยังรู้รักลูกเราอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องพูดประเด็นนี้นะคือถ้าเราจะให้เราไปบอกไอ้คนที่ชั่วให้มันเป็นคนดีเนี่ยเราเขาไม่มาฟังวิทธิยุทธนี่เนาะใช่ไหมไม่ฟังรายการธรรมาราประเด็แม่เจ้าค่ะยังไม่ยังไม่ตื่นเลยหรือไม่ก็ยังไม่ได้นอนยังไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะนั้นจึงต้องบอกท่านว่าอให้มีไม่ตากรุณานะอันที่สามคือความมุทิตาคือความยินดีนะความเขาเรียกว่าเอ ยินดีด้วยถ้าเขาทำความสําเร็จอะไรนะพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกทําความสำเร็จอะไรนี่หน่อยๆเนี่ยโอ๊ยทำไมเธอทําได้แค่เนี้ยงเหรอสอบได้แค่เนี้ยงหรอโอ้โหมันทำร้ายจิตใจลูกนะอืมลูกสอบได้สิอ่อได้ได้เกรดสามอย่างเงี้ยอ้าวทำไมเธอไม่ได้เกรดสี่ลูกสอบได้ที่สองหรือได้ที่สามอย่างเงี้ยอ้าวทำไมเธอไม่ได้ที่หนึ่งโอ้โหไม่ได้นะเมคือเขาทําได้ถึงขนาดนี้เราเราจะต้องมีความยินดีความปลื้มใจความ เห็นเห็นใจด้วยกับเขาที่เขาความดีที่เขามีอยู่คือชื่นชมชมบ้างยกย่องบ้างนะเจ้าคะ่ะ ใ, ให้ลูกชืนใจเจ้าค่ะเออมุตนั่นเนะี่ยคือมุติตาจิตมุติตาจิตนะคือความที่เป็นมีมุติตาออบางคนเนี่ยลูกนี่นะลูกบางคนกุญเชิญใจเห็นเนกันอยู่แบบเป็นลูกธรรมดาดีดีเล่าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบ อ, อ่าแล้วก็ไม่เที่ยวสัมภารเทมาวเพื่อนก็มีแต่ดีๆแต่ว่าเป็นคนเฉื่อยเฉะนิดนึงทําอะไรช้าแล้วก็มึนมึนตึงตึง ทำอไรไม่ค่อยถูกแม่ก็ด่าอยู่นั่นน่ะเออทํำไมลูกทํางี้ลูกทําเป็นคนว่างไว้นะรัดตัวไปใจใครจะเลี้ยงใครจะทํากินนาแม่มาอยู่แล้วโอ้เป็นชุ ด, ดเลยนะ<ด>นะเนี่ยแต่ไม่ได้ดมองเลยเออบนทุกวันเลยลูกก็เลยมากุมขมับมาถามมาตมาว่าเ อ, อ๊ะผมผิดตรงไหนเนี่ย<จ>ผมทําอะไร<ๆ>เนี่ยเราก็เลยต้องบอกว่าเอออย่างน้อยนะเธอยังไม่สุบรีไม่กินเหล้าไม่ไม่มีอบายมุตต่างๆยิ่งดูครอบครัวอย่างดีแล้วก็ดีแล้วนี่แล้วเราตั้งอยู่ในความดีนี้แล้วเราทําให้ยิ่งขึ้นไป เนร้เราจะต้องรู้จักเห็นความดีของลูกเราหลานเราและคือคนเรามันโตมาเหมือนกัน <Okay. S 1> คุณเตืนใจเนื่ยหรอฝาพแฝดคลอดมาด้วยกันโผล่ออกมาพร้อมๆกันหน้าตาเหมือนกันนิสัยคนละอย่างก็มีเราก็เคยเห็นกันอยู่ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้น อ, อยู่กับสิ่งที่เบื้องหลังคือเป็นกรรมที่เขาดําเนินมาด้วยกับการสั่งสอนของพ่อแม่ใช่ไหมเจ้าค่ะช่ชอุปนิสัยจะต่างๆกันไปเจ้าค่ะและ้วนี้ทีนี้ถ้ า, ถ, าถ้าลูกนี่คำถามยอดฮิตเลยคุณเตืนใจบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนี้นะเราจะตอบอยังไงอันนี้วิธีตอบง่ายง่า ย, ง, ายง่ายที่สุดสําหรับพ่อแม่คือก็ลูกมันไม่เหมือนกันะก็ถ้าลูกมันไม่เหมือนกันเนี่ยวิธีการเลี้ยงวิธีการสอนเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกัน นะ <Okay. S 1> คือบางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ยผู้ชายจะให้ใส่กระโปรงก็ไม่ได้นึกออกเนาะเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ตัดเสื้อผ้าอะไรหรือว่าตอบสนองอะไรแต่เขาเนี่ยให้ให้แตกต่างกันไปนะแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยมีเท่ากันทั้นั้นทุกคนมีเท่ากันหมดเลยมากไม่มีประมาณเท่ากันทุกคนวัดไม่ได้เลยตรงนี้มากมากความรักของพ่อแม่มีต่อลูกนะแต่ว่าการแสดงออกมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามละคนนึกออกไหม บางคนรักลูกแต่ว่าไม่ได้แสดงออกแสดงออกแบบนี้แสดงออกอีแบบหนึ่งแสดงออกมากบ้างแสดงออกน้อยบ้างเพราะว่าลูกไม่เหมือนกันนะอืมแต่ว่าเราเนี่ยรักลูกอย่างล้นพ้นประมาณไม่มีขีดจํากัดอยู่แล้วพ่อแม่ทุกคนนะเป็นอย่างนี้คือนอกจากพ่อแม่ช่วๆอย่างที่เราพูดไปเมื่อวานนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่นี้พ่อแม่ทั่วไปเนี่ยถ้าถูกมีความรู้มีความเห็นว่าโอ้ยรักรักลูกไม่เท่ากันแคุณตอบเขาไปอย่างนี้เลยหาเวลาที่ดีๆแล้วก็คุยกัน ว่ารักความรักของพ่อแม่เนี่ยมีมากล้นพ้นประมาณกับลูกทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกแต่ละคนเนี่ยมีนิ ส, สัยต่างๆไม่เหมือนกันเราต้องมีการแสดงออกที่เป็นการสอนลูกต่างๆไม่เหมือนกันด้วยแล้วเราก็ต้องสร้างจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเย่ายถ้าเขามีข้อดีอะไรอยู่เนี่ยเราหยิบตรงนั้นขึ้นมาเลยหยิบตรงนั้นขึ้นมาแล้วสร้างจากตรงนั้น และอย่าไปโจมตีจุดอ่อนเขาจุดที่ไม่ดีนะยิ่งโจมตียิ่งมาชี้ให้เห็นโทษยิ่งมาทําผิดผิดยิ่งมาทําเอามาประกาศโทษอย่างไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยก็มาเล่าเรื่องความไม่ดีของลูกโอ้โหเล่าให้คนอื่นฟังลูกนั่งกินอยู่ด้วยลูกก็เศร้าแหละเจ้ค่ะถจ้าค่ะคุณคุณตั่นใจนึกออกอยู่เนอะลูกถึงประเด็นนี้เจ้าค่ะมยมขออนุญาตเสริมนิดนึงเจ้าค่ะว่ามีประสบการณ์ตรงตรงที่ว่าเอ่อก็จะมีหลานเนี่ยเจ้าค่ะหลานสาวก็จะ จะน้อยใจคุณแม่มากเลยทั้งนั้นที่โยมทราบดีว่าคุณแม่ของของหลานเนี่ยนะเจ้าค่ะก็คือพี่สาวของของโยมเนี่ยรักลูกมากเลยรักลูกสาวคนนี้มากเพราะว่าสองคนเป็นผู้ชายใช่ไหมเจ้าค่ะรักมากแต่ว่าบางทีพี่สาวก็ไม่มีวิธีการพูดที่จะให้กําลังใจลูกอะเจ้าจค่ะ อ, อย่า ง, าง<ด>สมมติว่าอยากให้สอบได้ดีบางทีก็จะไปพูดในทางที่ลบซึ่งอันนี้โยมก็เคยเตือนพี่สาวนะเจ้าค่ะว่าทําไมทําไมไปพูดอย่างนั้นก็ทําให้จิตใจเขาไม่ไม่ดีอะเจ้าค่ะ อยนู้ไปสอบเนี่ยจะสอบได้เหรออะไรเนี่ยเธอต้องตั้งใจนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันคือพูดพูดเปในทางที่มันเป็นทางโลบะเจ้าค่ะนี่นะอันนี้โยมโยมเตือนถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะถ เ, เพราะว่าหลานหลานยังบอกว่าเนี่ยถ้าคุยกับหน้าเล็กแล้วก็มีความรู้สึกว่าสบายใจมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะเราบอกว่าอ๋อหนูเก่งแล้วหนูไม่ต้องกลัวเลยยังไม่สบายดูหนังสือไม่ทันเงี้ยเจ้าค่ะโยมจะบอกว่าหนูเก่งอยู่แล้วหนูตั้งใจเรียนอยู่แล้วถึงจะไม่สบายเนี่ยดูหนังสือไม่ทัน ถ้าเชื่อมั่นว่าหนต้องทําได้อะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะต้องพยายามพูดในทางบวกถูกไหมคะใช่ะ ค, ะคือตรงนี้คือมุทิตาไงคือเรามีเมตตาเราจึงพูดดีเราเห็นมุดเรามีมุทิตาจิตเราจึงเห็นจุดที่เขาดีอยู่แล้วให้เขาสร้างจากตรงนั้นอย่างกรณีของเด็กคนเนี้ยเราก็บอกไปเลยว่าเอ้ยคุณมีความเธอมีเก่งอยู่แล้วนะถ้าเธ อ, อขยันเพิ่มเติมต้องได้แน่นอนน ะ, ะหรืออะไรลักษณะนี้ที่จะทําให้เขามีกําลังใจในการสู้ต่อไปะนะคือ คือเราต้องรู้จักาหาจุดแข็งแล้วมาสร้างต่อตรงนี้แหละคือมุติตาจิตอืเจ้า ค, คือครอบครัวที่มันล่มสลายแตกแยกกันไปนี่นะก็เพราะด้วยคําพูดนี่แหละคุเตือนใจเลยไม่อไม่ได้ว่าไม่มีสัมมาวาจาะนะคือคพูดในลักษณะที่ว่ า, เ, าเป็นวาจา ท, ที่ทิ่มแทงกันคือหอกคือปากใช้หอกเนี่ยใช้ปากเนี่ยเป็นหอกทิ่มกันทิ่มกันเจพ่อพูดคําหนึ่งแม่พูดคําหนึ่งลูกพูดคําหนึ่งทิ่มกันไปทิ่มกันมาบนโต๊ะอาหารก็มี จถึงจะพูดด้วยความหวังดีแต่ก็ไม่ควรใช่ไหมเจ้าคะเรื่องของสัมมาวาจานี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้เลยว่าคนเราต้องมีสัมมาวาจาถูกไหมเจ้าคะใช่คือพูดด้วยความหวังดีแล้วพูดไม่ดีนี่มันมันฟังไม่ค่อยขึ้นนะคุณใ <c oughs> ช่ไหมครับคุณพูดด้วยความหวังดีแต่คุณพูดเรื่องไม่ดีเนี่ยเอ๊ะมันมันไม่ค่อยเข้าท่าอาตามาว่าไม่ใช่ใคะคือถ้าคุณมีความหวังดีเนี่ยอย่างน คือหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าคือจิตของคุณเนี่ยมีความโกรธความขัดเคืองอะไรอยู่หรอถึงได้พูดไม่ดีออกมานะคือคุณรักรักลูกเนี่ยรักอยู่นะทําไมเราจะต้องรู้จักที่จะพูดสิ่งดีๆให้ให้เขามีกําลังใจนะ <c oughs> พูดไปแล้วเนี่ยคนฟังจ ะ, ะพระพุทเจ้าเคยบอกนะสิ่งไหนจริงสิ่งไหนแท้นะสิ่งไหนประกอบด้วยประโยชน์แล้วเมื่อคนฟังพอใจเนี่ยตถาคตคือพระพเจ้าของเราเนี่ยก็จะพูดคํานั้น นะ <S <S สิ่งไหน<ช>จริง <S 2> <S 2> สิ่งไหนแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วคนฟังจะไม่สบายใจเนี่ยต้องรู้จักการที่เหมาะสมที่จะพูดคํานั้น <Okay. S 1> คือไม่ใช่พูดตลอดเวลาต้องรู้จักเวลาที่เหมาะสมอย่างกรณีของหลานคุณตืลนใจเนี่ย <Okay. S 1> บางทีเราต้องเตือนเขาต้องมีจังหวะที่เราต้องเตือนเขาไม่ใช่ว่ า, าให้กําลังใจกันอย่างเดียวลูกต้องทำได้ทําได้มันก็จะเหลิงไปก็มีใช่ไหมที <S <S <S นี่<ๆ>ต้องมีจงังหวะที่เตือนเขาก็ต้องมี ก็ต้องหาจังหวะที่เหมาะสมถ้าพูดไปแล้วเขาจะกระเทือนใจเนี่ยต้องหาจังหวะที่เหมาะสมต้องรู้จักกาล์ในการที่จะพูดตรงนี้ อ, อเจ้าค่ะโดยมักยงก็จะเตือนเรื่องที่ว่าอบอกว่าให้เข้าใจแม่เจ้าค่ะว่าแม่รักนะถึงได้ห่วงแต่ว่าแม่พูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะบอกไปอย่างงั้นเพราะว่าจะมีเรื่องที่อาจารย์บอกว่าจะมีใครที่ไหนว่าหวังดีแล้วจะพูดในทางไม่ดีบางที ก็มีนะเจ้าค่ะบางคนตีาดดสายแต่ที่พูดบวกก็พูดลบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อันเนี้ยมีจริงเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่ <c oughs> ก็คือยังไม่รู้จักการาชไงเจ้าค่ะยังไม่รู้จักการละคือคือเขารักอยู่พูดแต่พูดไม่ดีเนี่ยเพราะว่าต้องคอยต้องการเตือนไงในเพราะว่าอาจจะมีจุดอ่อนอยู่ของบุคคลนั้นที่เราจะต้องคอยเตือนเขาอันนี้ก็ถูกอยู่ <c oughs> ในขณะเดียวกันก็ถ้ารู้จักการลชที่เหมาะสมในการที่จะพูดแล้วให้จิตของผู้ฟังเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้คือถ้าจิงของเราเป็นอกุศลนะคุณเตือนใจ มันจะไม่มีกำลังใจในการที่จะไปทำอะไรอื่นๆแนละ้วนะเจ้าค่ะมันก็จะจิตใจห่อเหียวอะไรต่างๆแต่ถ้าเราจิตใจเราพูดไปแล้วเนี่ยใ ห, ให้ให้เตือนให้เขาทราบแล้วจบด้วยจิตใจเขาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยโอ้อันนี้จะดีมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะซึ่งก็เหลืออยู่นาทีสุดท้ายอยากให้อาเรอทุกคุณพระอาจารย์ไปบุญภิปุโนได้เมตตาฝาก คําทิ้งท้ายไ้เลยเจ้าค่ะสําหรับการสนทนาของเราในเช้าวันนี้เจ้าค่ะ เ, เรื่องอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของอุเบกขาแตนะถ้าบอกว่าเราต้องรู้จักวางอุเบกขาบ้างถ้าลูกเราไม่เก่งจริงถ้าลูกเราทําได้แค่นี้จริงๆนะเราก็ให้อุเบกขาไว้บางคนเก่งไม่เท่ากันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยว่าคุณธรรมที่จะต้องมีเนี่ยก็คือการที่เรารู้รูจักบอกสอนเ้าห้ามชดเียจับบากให้ตั้งอยู่ในความดนะีใช้วิธีรุนแรงบ้างใช้วิธีละมุนว่าบ้างใช้วิธีปนกันบ้างแล้ว อ่าพรหมิหารสี่ต้องมีนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาต้องมีในใจเราตลอดเราถึงจะพาเขาตลอดรอดฝั่งได้ในขณะเดียวกน<ช>ันเราต้องหาเพื่อในให้เขาดีๆนะที่จะพากันไปตลอดรอดฝั่งได้ก็ให้อดทนกันพูดดีๆกันมีอ่าใจอื้อเฟือ้อเผื่อแปรกันถึงจะเหมาะสมเจ้าค่ะและที่สําคัญที่สุดที่พระอาจารย์เคยอชี้แนะไว้ก็คือการที่เราจะต้องฝึกจิตของเราให้มีกําลังพอที่จะมีเมตตาเสมอนะคะวางเฉยได้แล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามอ่าสิ่งที่มากระทบจิตใจเรา ถูกต้องเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังขาน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมาราปุลของเราในเช้าวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมนี้หมดลงแล้วนะคะก็คงจะได้มาสนทนาในเรื่องที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันเราแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของหลายๆท่านในสังคมยุค ป, ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากต่างจากสังคมสมัยก่อนนี้เราอาจจะคุยกันต่อในอาทิตย์หน้านะคะก็คือเสาร์อาทิตย์หน้านั้นก็กลับมาพบกับ รายการธรรมาราปุลในช่วงของการสากระชาหรือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันจะได้กราบนักศการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์พุ่มนุยการหลักสูตรการปฏิบัติธรรมรีเฟรนต์ตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีเหมือนเคยนะคะซึ่งมีพระเดชพระภูริหลวงพ่อดรษีสะอาดที่ตัวารสูงหรือท่านพระภูริเสกทิพพากร ท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุลรอภิุณโนพร้อมกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในช่วงของการสากระฐาในสัปดาห์หน้าค่ะกราบนมัสการและ ก, กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพี่ยนพรสาทูเจ้าค่ะ